หลวงตาช่วยชาติบ้านเมืองของเราพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของชาติมาได้ทุกวันนี้เพราะหลวงตาท่านออกมาช่วยชาติท่านได้รวบรวมทองคำเงินดอนลลาร์เอาเข้าคลังหลวงเพื่อเสริมความมั่นคงให้ประเทศหากว่าเราไม่มีองค์หลวงตามาหาบัวอยากถามประชาชนทั้งประเทศ ที่ยืนเชิดหน้ามาได้ทุกวันนี้ว่าเราอยู่มาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เกิดจากบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านได้มีเมตตาเป็นองค์ประธานคอยสั่งการตอนที่ท่านเริ่มงานช่วยชาติท่านก็มีอายุประมาณ84หรือ85ปีแล้วจนปัจจุบันนี้ท่านอายุถึง95ปีหากเป็นคนทั่วไปในวนัยนี้ก็คงต้องอยู่กับบ้านเฉยๆคงแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ไหวแล้ว อย่าว่าแต่จะช่วยเหลือใครอื่นเลยแต่องค์หลวงตาท่านออกมาช่วยมาทำได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูถ้าท่านไม่ได้เป็นพระที่ปฏิบัติภาวนาอย่างอุกฤษจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วในขณะที่ท่านชราภาพอายุ8ปิบแล้วท่านจะทำได้อย่างไรเราติดตามท่านในโครงการช่วยชาติมาทุกจังหวัดจึงรู้ซึ้งเลยว่าการเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง แม้คนที่อายุน้อยๆอย่างเราเราอย่างทั้งเพลียทั้งล้าและท่านอายุ80กว่าปีแล้วท่านต้องเดินทางจากอุดรธานีไปเชียงใหม่ไปประจวบคีรีขันไปตราดไปแทบจะทั่วทุกภาคล้วนแต่จังหวัดที่อยู่ไกลๆออกไปถามว่าสภาพร่างกายของผู้สูงวัยอายุ84ถึง90กว่าปีจะรับไหวไหม นี่เพราะท่านแยกจิตออกจากขันหมายถึงจิตกับกายของท่านไม่เกี่ยวข้องกันท่านจึงสามารถที่จะใช้ร่างกายของท่านออกไปแผ่เมตตาเพื่อรับบิณฑบาต ท, ทองคาเงินดอลล่าร์และเงินไทยเพื่อนำมาช่วยชาติบ้านเมืองเรารับใช้ท่านมารู้เห็นเลยว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านทำได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะท่านปฏิบัติจนรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นแล้วและท่านดาเนินตามรอยธรรมของพระพุทธเจ้า ส่วนที่เข้าใจกันว่าการออกมาช่วยชาติของหลวงตาไม่ใช่กิจของสงนั้นหากเราได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งถึงแก่นจริงๆแล้วจะรู้ว่าเรื่องของโลกและเรื่องของธรรมะไม่สามารถที่จะแยกขาดออกจากกันได้เลยจะต้องอยู่คู่กันไปเมื่อโลกเดือดร้อนธรรมะจะเข้ามาดับร้อนฉะนั้นให้ยึดมั่นเอาไว้เลยว่าองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาสงเคราะห์จริงๆท่านมาดับร้อน นี่คือจุดหนึ่งที่อยากจะให้ข้อคิดกับคนไทยที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกวันนี้เวลาฟังอะไรก็ให้พิจารณาหน้าหลังอย่าไปฟังแต่ตรงปลายเหตุใครที่มีความข้องใจขอให้ลองไปเยี่ยมวัดป่าบ้านตาดดูก่อนไปดูด้วยตาของท่านเองว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านสมถ t h ขนาดไหนท่านเมตตาจริงๆท่านมีแต่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผู้มาทําบุญถวายท่านท่านให้ออกไปหมด